จะได้กล่าวธรรมะเกี่ยวกับการปฏิบัติซึ่งท่านทั้งหลายก็ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมะมามากพอสมควรการฟังธรรมเป็นสิ่งจำเป็นการเรียนธรรมก็เป็นสิ่งจำเป็น สำหรับผู้ที่สนใจในธรรมะอันเป็นของจริงที่นี่ธรรมะของจริงคาว่าของจริงนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ประจําโลกมานมนานแล้ว <c oughs> ถ้าเราจะพูดกันอย่างไม่เกรงใจ เราจะใช้คำว่าสิ่งที่มันเป็นจริงตามกฎธรรมชาตินั้นมีมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดพระพุทธเจ้าเกิดหลังของจริงเพราะฉะนั้นธรรมะที่เรียกว่าพระพุทธเจ้ารู้จริงเห็นจริงนี้ ก็หมายถึงว่าพระองค์มารู้ของจริงที่มันมีอยู่แล้วแต่ของจริงอันนั้นไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้สร้างสุดแต่หากพระองค์รู้จริง <c oughs> เห็นจริงแล้วก็มาบัญญัติชื่อบัญญัติชื่อเอาไว <c oughs> ้เพื่อเป็นหลักฐาน ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาเช่นอริยสัจสี่เตทุกสมุทยัยนิโรธมักก็เป็นของจริงที่มีมาอยู่แล้วนมนานพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนมาตารัสลูเราก็ยืนยันรับรองว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ก็มากรัสทะลุธรรมของเก่าของเก่าที่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเคยได้ตรัสทะลุมาแล้วเมอสมเด็จพระสรมนักโพตรมัสมาตมมั ม, มพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็มาตารัสทะลุอริยสัจกระ ท, ทั้งสี่อันเป็นของเก่าที่พระพุทธเจ้าองค์อื่นๆเคยตรัสทะลุมาแล้ว โลกสมุทัยนิโรธมักเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วพระพุทธเจ้าพเพียงแต่มาตัดสรู้ของจริงเราจะพิสูจพิจารณาได้ว่าชาติติทุกขะความเกิดก็เป็นทุกข์ช า, าติทุกขะ ความแก่ก็เป็นทุกข์เมื่อนำปีทุกขังความตายก็เป็นทุกข์กดแก่เจ็บตายเนี่ยย่อมจะมีได้ทุกๆสิ่งทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเส่นเกิดมาในโลกนี้ไม่เฉพาะแต่คนแหละสักแม้แต่ ต้นไม้เกิดพันธัญยาหารต่างๆเขาก็มีเกิดมีแก่มีตายเหมือนกันอันนี้เป็นความเป็นจริงโดยทั่วไปแต่สำหรับโสกความโศกเศร้า <c oughs> ตะลิเทวะความล้ำลายลำพัน สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความรู้สึกสัมผัสรู้ด้วยจิตใจเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่เราถหว่ามันเป็นพวกความโศกเศร้าความดั้มใความเหี่ยวแห้งใจความรุ่รยย่อค ล, ลาดคาบแล้วก็ทำให้เรารู้สึกเกิดทุกข์ ภพอันนี้มันเป็นวกของสิ่งที่มีชีวิตจิตใจเป็นวกของคนหลือสัตว์ที่มีที่มีร่างกายและมีจิตมีใจเท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่เคยมีจิตมีใจและเคยได้รับภพเหล่านี้มาแล้วพระบิดาของพระพุทธเจ้าพระมารดาของพระพุทธเจ้า ย่อมเคยได้ประสบคดังที่กล่าวมาแล้วก่อนพระพุทธเจ้าเกิดเพราะฉะนั้นความจริงอันนี้มันก็เป็นความจริงอันหนึง่งซึ่งเป็นสัจธรรมจะจเข้าในประเทศแห่งคดขาอริยสัจเป็นสัจจะเป็นของจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว อันนี้ก็เป็นหลักฐานพยานสอแสดงให้เห็นว่าของจริงเป็นสิ่งที่มีประจำโลกมานมนานแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้มาสร้างของจริงไว้ให้เราศึกษาไม่ได้มาสร้างของจริงไว้ให้เราเรียนรู้แต่พระองค์รู้ของจริงที่มีอยู่โดยธรรมชาติแล้วแล้วก็มาบัญญัติสัต บ, บัญญัติชื่อ ไว้สำหรับให้พวกเราเรียก่านและได้ดำเนินการปฏิบัติเพื่อให้เข้าไปดูของจริงอันนั้นซึ่งเรียกว่าทุกขริยศั s a และอีกอย่างหนึ่งคำว่าทุกในอริย a ั a นั้นเราหมายถึงทุกของจร่งที่มีชีวิตจิตใจซึ่งไม่ในแต่ก่างกัน กับทุกในพระใจรักทุกในพระใจรักนั้นเป็นทุกษาธารณะทั่วไปทั้งของสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเช่นตึงธรรมชาติที่ไม่มีจิตมีใจเขาก็ย่อมมีการปลากฏขึ้นในเบื้องต้นทรงตัวอยู่ทั่วขณะหนึ่งในที่สุดต้องสลายตัว เมื่อตัวตัวเองจะรู้สึกไม่รู้สึกก็ตามแต่มันเป็นกฎธรรมชาติชนิดนั้นและิงที่มีชีวิตก็อยู่ในกฎแห่งความเป็นเช่นนั้นเหมือนกันคนเราที่เกิดมาแล้วก็ทรงตัวอยู่ทั่วชีวิตหนึ่งในที่สุดก็ย่อมลลายตัวเหมือนกันความรู้สึกเมื่คิดที่มีอยู่ในจิตในใจของเราก็ามีปลากฏดามขึ้นชั่วขนาดหนึ่ง แล้วพอทรงตัวอยู่ในที่สุดต้องสลายตัวเหมือนกันซึ่งได้ในกฎพระบัญญัติของพระพุทธเจ้าวา่าอ น, นิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่เจตัวไม่เจตนหาารือหาความเป็นตัวเป็นตนไม่มีดังนั้นความเป็นใจของคำว่าทุกในอริยสัจ และพวกในพระใจรักจึงมีในต่างกันดังที่กล่าวมาแล้วนั้น <c oughs> ที่นี้พระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าวางหลักคำสอนเอาไว้อันเป็นหลักใหญ่ใหญ่ก็คือศีลสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยเป็นอุบายจะเป็นขนทาง ที่พุทธบริษัทจะต้องยึดเป็นหลักปฏิบัติเพื่อสร้างคุณธรรมคือความดีให้เกิดมีขึ้นในจิตในใจจนถึงขนาดที่เต็มสมาธิสัญญาภิสุมพร้อมลงเป็นอริยมรรคสามารถเติสติสัมปชัญญะขึ้นมาเป็นมหาสติด้วยวิธีการต่างๆวิธีการที่จะตึงปฏิบัตินั้น เราเรียกกันโดย ท, ทั่วไปว่าสมถกรรมฐานและวิปัสสนารมถานที่นี้หนทางที่จะเข้าไปสู่ความรูจริงเขียนแท้งในสภาวธรรมทั้งฝูงนั้นเราจะหนีจากหลักแห่งการปฏิบัติสมถกรรมถานวิปัสสนาสมถานไปไม่ได้ได้กล่าวแล้วว่าการศึกษาธรรมะและการเรียนธรรมะ เป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายได้ศึกษามามากพอสมควรแล้วการฟังธรรมก็คือการฟังเสียงพูด ข, ของผู้เทศเป็นการฟังสิ่งที่เข้ามาสัมผัสจากสิ่งที่เกิดขึ้นในภายนอกมาบัดนี้ขอเชิญทุกท่านจงตั้งใจฟังธรรมในหัวใจของตัวเองขอให้ทุกท่านจงโปรด สำรวมจิตให้รู้ลงที่จิตสำรวจลงที่ตัวผู้รู้ภายในจิตของตัวเองความรู้สึกมีอยู่ที่ไหนตัวผู้รู้ก็มีอยู่ที่นั่นบางท่านที่ทำนิชทานาในการภาวนามาแล้ว ก็เพียงแต่กำหนดตรงที่ตัวผู้รู้ซึ่งปรากฏอยู่ในจิตจดต้องอยู่ที่ตรงนั้นอย่างเดียวและคอยจดต้องดูว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นในเมื่อมีสิ่งใดเกิดขึ้นภายในจิตตามกำหนดรู้สิ่ง น, นั้นอย่าไปปล่อยโอกาสอะไรเกิดขึ้นมาก็กำหนดรู้อะไรเกิดขึ้นมาก็กำหนดรู้ เอาตัวรู้ตัวเดียวตามรู้ตามเห็นไปพวกว่าร้จิตที่เรามีความคิดติอันนี้สำหรับผู้ที่เคยภาวนามาเป็นชันิจํานานแล้วสำหรับผู้ที่เริ่มใหม่ซึ่งเกิดยังไม่เคยมีสมาธิและไม่เคยเกิดภาวะตัวผู้รู้ขึ้นมาในจิต ให้อาศัยการกำหนดรูลมหายใจเข้าหายใจออกบ้างหรือกำหนดบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ตนชำนิชำ น, นัญเช่นพุทโธเป็นต้น <c oughs> ให้กนหนดจดบต้องลงที่จิตแล้วเอาเเจิตเลกพุทโธพุทโธพุทโธเลิกอยู่อย่างนั้น นับอยู่เฉยอย่าไปทําความรู้เสียความอะไรจิตของเราจะสงบเมื่อไรจิตจะเกิดสว่างเมื่อไรจิตจะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมามการภาวนาในเรื่องต้นนี้ไม่ใช่เพื่อจะรู้เพื่อจะเห็นสิ่งอื่นเพื่อให้รู้ให้เห็นสภาพความเป็นจริงของจิตของตัวเอง เราจะเริ่มรู้ความจริงของจิตตั้งจะเริ่มกาหนดจิตกับบริกรรมภาวนาพรรู้อย่างไรรู้อยู่ตรงที่ว่าจิตของเรากับบริกรรมภาวนานั้นมีความสัมพันธ์หรืออยู่ด้วยกันหรือไม่เมื่อจิตของเรากับบริกรรมภาวนาสัมพันธ์กันอยู่ด้วยกัน มันมีโอกาสที่จะเผลอส่งแกระแสะไปทางอื่นหรือไม่นี่ให้เรากําหนดดูผ่านจริงของจิตในตอนนี้ทีนี้ในขณะที่เราเลิกพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธอยู่นั้นความรู้สึกของจิตนัน้นมันมีอะไรบ้างเกิดขึ้นเจตบอยู่กับพุโทโธไหมเรารู้ว่ามันเลิมพุโทโธเป็นบางครั้งบางขณะ ในขณะที่เลิมนั้นจิตมันไปอยู่ที่ไหนไปอยู่กับสิ่งภายนอกซึ่งเป็นอดีตสัญญาหรือว่าไปนิ่งว่างอยู่เฉยๆให้เราต้องเบตูความจริงในตอนนี้ทีนี้ถ้าหากว่าจิตของเราเลิมพุทธโธแล้วมันไปอยู่ในกับสัญญาอดีตที่เราเคยนึกคิดไปจดจาซึ่งเป็นสิ่งอื่นนอกจาก อาพุธโธนั่นแสดงว่าจิตของเราละชิ้งพุธโธแล้วก็ไปเย็ดเอาอารมณ์เก่าแก่มาเป็นความรู้สึกในคิดตามนิสัยเดิมเป็นอาการของจิตคุ้มขันแต่ถ้าหาว่าจิตเริมคำว่าพุธโธแล้วไปนิ่งอยู่เฉยเมื่อมีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นผู้ภาวนาอยา่าไปไม่ถึงพุธโธอีก ให้กำหนดรู้ลมที่จิตเฉยๆอยู่แต่ในช่วงนี้ถ้าหาลมหายใจปลากรกขึ้นในความรู้สึกก็ให้กำหนดรู้ลมหายใจเฉยอยู่เอาลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องละลึกของสติจะ ต, ต้องดูอยู่อย่างนั้นอย่าไปสร้างความรู้สึกนึกคิดอะไรขึ้นมา และก็ไม่ต้องไปเลิกว่าลมหายใจตั้นลมหายใจยาวเป็นแต่เพียงกําหนดรู้จดจ้องอยู่เฉยๆเท่านั้นความตั้นความยาวความละเอียดความอยาบของลมหายใจเป็นสิ่งที่จิตรู้อยู่จิตจำรู้ความตั้นความยาวความอยากความละเอียดของลมหายใจึงอยู่ในที โดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปเน้นสำคัญมั่นหมายว่าลมหายใจหยากลมหายใจละเอียดลมหายใจสั้นลมหายใจยาวหรือลมหายใจหายขาดไปแล้วกำลนดตู้ลงที่จิตตัวผู้รู้จดต้องอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นวิธีการปฏิบัติในเบื้องต้น ในขณาทีท่านกาหนดจดต้องดูอยู่ที่ลมหายใจเิด อ, อยู่อะไรจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นไม่ต้องไปคำนึงถึงท้งนั้นถ้าในช่วงนี้จิตมันเกิดความสว่างขึ้นมามก็จะไปเอะใจกำหนดลู่ลงที่จิตอย่างเดียวหาโก่ภาพในเมตต่างๆขึ้นมาก็จะไปเอะใจกาหนดลู่ลงที่จิตอย่างเดียว หรือจะมีอะไรเกิดขึ้นเป็นอุทานธรรมะเป็นพาสิตซึ่งผุดขึ้นเป็นความรู้เป็นภาษาก็าอย่าไปสําคัญมั่นหมายอย่าไปเอกใจกําหนดรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวถ้าหากวท่านไปเอกใจหรือเอาใจใส่กับสิ่งนั้นสภาพจิตมันจะเปลี่ยนเมื่อสภาพจิตเปลี่ยนแล้วสมาธิจะถอน สิ่งที่ท่านกำกำลังกำหนดรู้อยู่นั้นมันจะหายไปทันทีอันนี้ขอให้นักปฏิบัติทั้งหลายพึงระมัดระวังและในเมื่อท่านจดจ้องเอาจิตรู้อยู่ที่เจตและก็รู้อยู่ที่สิ่งที่จิตู้ความตั้งใจกำหนดจดจ้องอยู่อย่างนี้ ด้วยเจตนาท่านเรียกว่าวิตกเมื่อเจ็บกับอารมณ์สิ่งที่กำหนดรู้มีความสนิทแน่นแน่นไม่ทราบจากกันทรงตัวอยู่โดยอัตโนมัติโดยที่ท่านไม่ได้ตั้งใจที่จะควบคุมอันนี้เรียกว่าพิจารเมื่อเจ็บกับอารมณ์มีความตึงตรา แล้มีความตาบต้งลงไปในตัวจิตความโดดเดื่มก็ย่อมเกิดขึ้นอาการโดดเดื่มของจิตนั้นเรียกว่าตีติตีติเกิดขึ้นทำให้รู้สึกกายเบาจิตเบาบางทีทาให้ตัวโยโกโงงบางทีทำให้ตัวเหมือนกับจะลอยขึ้นสู่อากาศบางทีก็ทำให้รู้สึกหนักตัว ซค่งสุดแท้แต่อาการของจิตปันจะปรุงจะแต่งขึ้นให้ท่านกําหนดรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวตอนนี่ปล่อยให้จิตมันเสวยติดติดในไม่จิตมีทีดติเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตไม่ฟุ้งซ่านไม่กระวนกระวายจิตก็มีแต่ความสุขแล้วก็จะดันวนนเข้าไปสู่สมาธิในขั้นละเอียดต่อๆไปเป็นลำดับ สิ่งจดแรกเราจะปรากฏว่าอุปจารสมาธิเกิดขึ้น ม, มีความรู้สึกนิ่งสว่างแต่ความรู้สึกในสิ่งภายนอกยังปรากฏอยู่บ้างนิดๆหน่อยหรือปรากฏจังรหิตในเ่เจิปผ่านขั้นตอนขั้นนี้ไปแล้วเจจะมีความสงบแน่วแน่นิ่งลงไป ไปสู่ความเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าอัปปนาสมาธิหรือเอกขตาในตอนนี้จิตของท่านสงบอย่างละเอียดมีแต่สภาวะจิตสงบนิ่งสว่างอยู่อย่างเดียวสมาธิขั้นตอนนี้โดยส่วนมากในเมื่อจิตสงบลงไปถึงขั้นอัปปตาสมาธิหรือเอกขตาอย่างแท้จริงแล้ว เราจะรู้สึกว่ากายหายไปหมดยังเหลือแต่จิตดวงเดียวล้วนๆแล้วในตอนนี้ผู้ภาวนานั้นไม่มีความสามารถที่จะนึกจิตอะไรอย่างอื่นขึ้นภายในจิตได้เพราะสมาธิตอนนี้เป็นสมาธิด้วยความเป็นเองอย่างแท้จริง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 สภาพเดิมของจิตที่ยังไม่ได้ประสบกับอารมณ์ใดๆย่อมมีลักษณะอย่างนี้เจตอย่างนี้ท่านเรียกว่าปฐ ม, มจิตเรียกว่าปฐมบิณ ญ, ญาณเรียกว่ามโนธาตุเป็นเหตุให้ผู้ภาวนาได้รู้สภาพความเป็นจริงของจิตร่างเดิมของตัวเองคือจิตที่ไม่มีอะไรนั้นมันมีลักษณะอย่างไร แล้วเราจะรู้ในตอนนี้และเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิในขั้นนี้เมื่อมารับรู้อารมณ์เพื่อเกิดความคิดขึ้นมาสภาจิตที่หลังจากเคยมีสมาธิแล้วออกมารับรู้อารมณ์เนี่ยมันจะมีลักษณะแตกต่างจากจิตที่ยังไม่เคยมีสมาธิจางไร อันนี้ผู้ภาวนาเมื่อทำจิตไดถึงขั้นนี้แล้วจะรู้ทันทีเพราะฉะนั้นการบริกรรมภาวนาหรือกาหนดอารมณ์เพื่อทำให้จิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิถึงขั้นอัปปนานั้นมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้ภาวนานั้นรู้สภาพตามเป็นจริงของจิตดั้งเดิมของตัวเองแม้ว่าภูมจิตในขั้นนี้ จะยังไม่เกิดปัญญาตาญาณรู้ถึงนอะไรก็ตามแต่ก็เป็นพื้นฐานสร้างตามมั่นคงของจิตเมื่อจิตผ่านกามเป็นสมาธิอย่างนี้บ่อยๆเข้าสิ่งที่จะพพ่งได้เป็นผลตามมาก็คือความมีสติสัมปชัญญะจะค่อรากฏเส้นกีละน้อยละน้อยในขั้นแรกจิตสงบเพียงครั้งสองครั้ง เมื่อจิตออกจากสมาธิขั้นนี้แล้วมันก็จะถอยโผล่พวดออกมาโดยไม่กำหนดอะไรเลยออกมาโผล่ความเป็นซึ่งเคยเป็นมาตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่เคยทําสมาธิแต่ถ้าเจตผ่านสมาธิแบบนี้บ่อยๆเข้าเมื่อจจตถอนออกมาเกิดความคิดจะเกิดม่ตัวสติตามรู้ความคิดขึ้นมาทันที เจ็บจิดอะไรตัส ต, ติก็จะต้องตาม ร, รู้ให้ผู้ภาวนารีบสวยโอกาสในตอนนี้กาหนดตัดต้องตามรู้ความคิดของตนเองไปเรื่อยๆเจ็บ ค, คิดอะไรขึ้นมาก็รู้คิดอะไรขึ้นมาก็รู้เพียงจักแต่ว่ารู้อย่างเดียวอย่าไปวิภากษ์วิจารณ์หรืออย่าไปช่วยมันคิดเพิ่มเติมปล่อยให้จิต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 จนสามารถกลายเป็นสติวินโยสามารถกลายเป็นมหาสติเมื่อเจตกลายเป็นมหาสติขึ้นมาได้เมื่อไรสติวินโยสติจะเป็นผู้นำเป็นผู้นำคือเป็นผู้ตามตามรู้อารมณ์คือความคิดซึ่งเกิดขึ้นกับจิตเมื่อจจตมีสติตามรู้อารมณ์คือความคิดทันกันเมื่อไร เมื่อนั้นความคิดซึ่งเราเคยมีอยู่แต่ก่อนนั้นมันจะกลายเป็นกลม่มปัญญาโดยลักษณะที่ว่าจิตตัวผู้รู้ก็จะปลากรดรู้อยู่ส่วนหนึ่งสัางหากและสิ่งที่ออกไปคิดค้นคว้าในอารมณ์นั้นก็จะมีอยู่อีกส่วนหนึ่งสัางหากมองมองดูแล้วคล้ายๆกับว่าเราคนเดียวมีจิตสองจิตมีใจสองใจ แต่แท้ที่จริงมันก็เป็นใจเดียวนั่นแหละแต่ใ จ, ใจหนึ่งจิตหนึ่งมันสงบนิ่งเป็นตัวผู้รู้เพราะอาศัยพลังของสติประคับปรับของเอาไว้ให้อยู่ในสาภาพปกติแต่อีกอันหนึ่งนั้นกระแสแห่งผู้รู้มันออกไปรับรู้อารมณ์ในมาลุขึ้นมาแล้วจิตมีสติอาศัยสติเป็นพละเป็นกาลัง จึงไม่ไปยึดมัน่นถือมั่นในสิ่งที่ตัวเองจงขึ้นมาในมาเจรลงความโลึ้นมาโดยไม่มีความยึดถืออาการของกิเลสมันก็ไม่มีมีแต่ลูลเฉยอยู่อะไรู้ขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปโลขึ้นมาแล้วก็ผ่านไป ในเมื่อจิตมันตลอดละเอียดลงไปปัญญาสติตอนนี้มันละเอียดลงไปรู้ทันกันอย่างละเอียดลงไปโดยไม่ขาดสายสายสัมพันธ์แห่งสติมันเชื่อมโยงกันอยู่ตลอดเวลา <c oughs> ความรู้ความคิดที่เกิดขึ้นในจิตนั้นมันจึงกลายเป็นตัวปัญญาที่รู้รมเห็นทำรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมในขั้นวิปัสสนากรรมฐานนั้น ก็หมายถึงรู้ทันความคิดที่เราเคยคิดอยู่ตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่ภาวนาหรือภาวนาไม่เป็นเมื่อเราภาวนาเป็นเนื้อมีสติมีสมาธิดีเหลยอกว่ามีพระค่าพร้อมจิตจิตมีสทาวิยะสติสมาธิปัญญาพร้อมมีศีลสมาธิปัญญ า, า, ญญารวมพร้อมลงกันหนึ่งตัวที่ปรากฏเด่นชัดให้เรามองเห็นก็คือความมีสติ คามโลภเท่าทันอารมณ์นั้นๆทีนี้ความคิดที่เคยทาให้เราวุ่นวายเดือดต้อนอยู่นั้นหละมันจะกลับกลายมาเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเมื่อจิตกับสติประกอบพลังเป็นอันเดียวกันแล้วโลภทันเหตุการณ์นั้นๆมันก็กลายเป็นตัวปัญญาจึงเกิดเป็นตัววิปัสสนาขึ้นมาด้วยประการละนี้ ตอนนี้ไปขอท่านทั้งหลายได้กลบกำหนดจิตลงกำหนดรู้ลงที่จิตพยายามจดต้องลงที่ตัวผู้รู้เลยผู้ที่ยังภาวนาไม่เป็นก็กำหนดบริกรรมภาวนาตามที่ตนเคยทำนิทำนานมาแล้ว ผู้ที่เคยมีสมาธิมาแล้วและทำสมาธิได้เร็วก็ไม่จําเป็นจะต้องไปบริกรรมภาวนาอีกกําหนดรู้ลงที่จิตเท่านั้นต้องรู้ลงที่จิตตัวผู้รู้คอยเก็บต้องว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นภายในจิตในเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นภายในจิตจิตมันจะตามรู้ในขั้นแรกเราจะกําหนดจดต้องด้วยความตั้งใจให้มันตามรู้ แต่เมื่อมันรู้ทันกันจริงๆแล้วต่อไปเราจะไม่ต้องกำหนดตามรู้ให้มันลำบากจิตกับสติเป็นของคู่กันและจะกำหนดตามรู้สิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตเองโดยอัตโนมัติในตอนนี้เรียกว่าปัญญาภูมิขั้นแห่งวิปัสสนาในภาคปฏิบัติเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติคือมันเกิดเป็นความรู้ขึ้นมานั่นเองแต่ ความรู้ในขั้นนี้มันก็ยังเป็นภาคปฏิบัติในขั้นวิจารณายังไม่ใช่ตัววิจารณาย่างแงท้จริงในเมื่อเจตกาหังตามรู้สิ่งที่รู้เรื่อยๆไปเมื่อเจตรู้เึ้งในสิ่งที่รู้นั้นบางทีมันอาจจะรู้ซึ้งลงไปว่าความคิดอ่านทั้งหลายเหล่านี้มันก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ซึมันจะโลดอยู่ในตีแต่มันจะไม่ว่าอันนี้จังทุกขังอนาาัตตาขึ้นมาเมื่อมันโลดซึ่งแลเข้าไปสู่ความสงบนิ่งตะวางอีกครั้งหนึ่งนั่นแสดงว่าจิตมันตัดสิน่นภูมความโูดภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นมาเมื่อมันโูดซึ่งจริงๆแล้วมันก็ตัดสิน้นข้าไปสู่ความสงบนิ่งตะวางอีกทีหนึ่ง ในคัมภีร์ท่านกล่าวไว้ว่าเจตมันจะมีการสนดใจอยู่สี่ครั้งครั้งที่หนึ่งเจต้าขึ้นสู่ภูมิแห่งพระโสดาบันครั้งที่สองเจต้าขึ้นสู่ภูมิแห่งพระสกตะชาคามีครั้งที่สามเจต้าขึ้นสู่ภูมแิะะะาาม 3, มแห่งพระอนาชาคามีครั้งที่สี่เจต้าขึ้นสู่ภูมิ แห่งพระอรหันต์เช่นอย่างท่านอญากริญญะฟังพระธรรมจักรตวัตตนสูตรแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าอย่างไรเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาซึ่งเป็นธรรมชาติของความรู้แจ้งเห็นจริงภายในจิตย่อมมีลักษณะอย่างนี้ ใครจะรู้เห็นอะไรมากมายจากปานใดก็ตามมันก็รวมลงกรสู่ความว่ายังจิมจิสมุทะยัธรร ม, มังกับท่านตังนิโรธธรรมมันติจึงได้สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาจิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาความเห็นความรู้ในขั้นสุดยอดมันมีเพียงแค่นี้ใครจะเทตใายยังไงอธิตายไปยังไงพิจารณาไปอย่างไร ในเม่เจตพันโลแตดงเห็นจริงไปมันก็มีแต่ยังจริยธรรมุรทธยาติธรรมบงอย่างเดียวเท่านั้นเพราะความรู้อันนี้มันไม่มันเหนือสมมติบัญญัติอยู่เหนือโลกเป็นความรู้ขั้นโลกุตตาธรรมเมื่อท่านอัญญาตนัญญาโลแล้วเห็นแล้วพระพุทธเจ้าก็ยอมรับว่าเป็นเจะาโสดาบันในเมื่อได้เป็นพระโสดาบันแล้วจตุงอุตตาทิจตัตถุของท่านสว่างโปร่งขึ้นมา ปัญญาอุทตาที่ปัญญาความรู้รอบสามารถทรงตัวได้อยู่ในสภาพปกติเป็นองค์อริยมรรคก็สว่างโล่งขึ้นมาวิชาอุทตาที่ความรู้แจ้งเห็นจริงความรู้แจ้งเห็นจริงปรากฏขึินเมื่อวิชาความรู้แจ้งเห็นจริงปรากฏขึ้นแล้วมันก็สามารถขับไล่อวิชาเกี่ยวามบไม่รู้ให้หมดไป อาโลโปอุตตาทิภูมิจิตของท่านจึงสว่างสวัยไม่มีที่สิ้นสุดสว่างไปทั่วโลกที่นี้พวกเทวดาภูมัทเธวดาอาตาสตกะเทวดาจนกระทั่งสฐมโลกก็ทรงเสวนุลังตะนองบอกข่าวกันต่อไปว่าพระอรหันตอรหันต์ปฐมาสาวกเกิดขึ้นในโลกแล้ว เสงดังเกิดก้องปริงวงั้งท่านอรรถมิตรผาผมที่เราสวดต่อท้ายธรร ม, มจักปรปวัจนะสุวันนั้นไปเทศทวัดบวรมีอุบาศกอุบาเกตาสวดก็หมายถึงสวดว่ า, าสวจเรื่องของเจวดาได้รู้ว่าท่านอัญญาสุนทินดาใต้ดวงตาหยินรมแล้วก็ได้บรรลุเปโสดาบันมีความเพื่อนชมยินดีแล้วก็บอกต่อต่อต่อกัอนไปเป็นชั้น ตระตั้งถึงขั้นอนิอาอาตานิธฐานุ่มทำไมจจิงเทเทสวดาจจิงรู้ก็เพราะว่าท่านัญญาโทนทัญญาเนี่ในรู้ทมเห็นทมแล้วดวงจิตของท่านสว่างสวั ย, ยแผ่รัศมีครอบกมลมยกสว่างเส็มมมันก็กระทบกระเทอนถึงจิตใจของเทวดาเทวดามีความแต่เตื่นโคลาหลก็บอกข่าวต่อต่อกันไป อันนี้คือความอัศจรรย์ของธรรมะที่เกิดขึ้นภายในจิตของผู้ปฏิบัติมีท่านอัญญาโกลนทันดะเป็นตัวอย่าง阿拉ต่อ น, นี้ไปเป็นอันวสาจุิเทศแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงกําหนดจิตทําความสงบจนจบกว่าจะถึงเวลาอันสมควรแต่ต่อไปนี้เป็นรายการตอปัญหาธรรมะตึอ <c oughs> งรู้สึกว่า มีผู้เขียนคำถามมามากไม่ทราบว่าจะตอบไปหรือเปล่าก็ไม่ทราบ <c oughs> สำหรับปัญหาของของท่าน อ, าอันดับแรกมีคาถามว่าขณะที่อยู่ในสมาธิเข้าไปอยู่ในองค์ชาน ขณะที่อยู่ในองค์ฌานมีแสงสว่างจ้าใสแจ๋วเหมือนสุ่มไกขนาดใจญ่ครอบตัวในขณะนั้นจิตสงบนิ่งอยู่ในแสงสว่างที่ครอบตัวอยู่อย่างสบายไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวไม่รู้ปวดเมื่อยทั้งสิ้นจิตสงบนิ่งจิตเป็นกลางนานถึงหนึ่งชั่วโมงอยากจะเรียนถามว่า ในลักษณะนี้เรียกว่าฌานตีใช่หรือไม่ทำไมจึงถ้าไม่ใช่จะจัดเป็นฌานที่เท่าใด <c oughs> การกำหนดโล่อะลจะให้กำหนดโล่ลกักษณะของจิตเดินฌาน ในชานในขั้นค้นนี่เรียกว่าลูกฌานมีอยู่สี่ขั้นการทำสมาธิรลุฌานขั้นที่หนึ่งประกอบด้วยองค์ห้าเคจิตยังมีวิตกมีวิจาร์ตีติสุขเอกคตาอยู่กลมจิตอยู่ในฌานขั้นนี้มีลักษณะจิตสงบนิ่งใสสว่าง โู้ถ้าหากว่าจิตในขั้นนี้ยังมีปรากฏองค์ชานอยู่ครบทั้งห้าคือยังมีวิตกวิจารปีสิสุขเอกัคตาอยู่จ้อมก็เรียกว่าจิตอยู่ในฐานขั้นที่หนึ่งถ้าหากว่าพูปฏิบัตินั้นไม่สามารถที่จะเข้าฌานแบบนี้ได้ ต้องความเป็นของจิตอาจจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญคือการเข้าทานยังไม่ชำนิชำนาญยังไม่เป็นวัตีลักษณะของชานที่ปราบุดขึ้นนี้เป็นแต่เพียงปุพานิมิตถ้าผู้ที่ได้ทานจริงๆต้องสามารถกำหนด ทำสมาธิเข้าฌานได้ตามที่ตนต้องการทุกขณะถ้าหากเป็นโดยบังเอิญก็ยังเรียกว่ายังไม่ได้ฌานอันนี้เป็นคำตอบข้อที่สองข้อข้อที่หนึ่งข้อที่สองขณะที่แสงสว่างครอบตัว ซึ่งอยู่ในองค์ฌานจิตสงบนิ่งไม่สอดใส่จิตเป็นกลางนานถึงหนึ่งชั่วโมงเรียนถามว่าลักษณะจิตนี้ใช่ไหมซึ่งเรียกว่าอุเบกขาสำหรับข้อที่หนึ่งข้อที่สองนี้ขอตอบรวมกันเลย <c oughs> สำลับทานขั้นที่หนึ่งได้ตอกไปแล้วที่นี้ทานขั้นที่สองถ้าจิตมีลักษณะสงบนิ่งไม่มีวิตกไม่มีวิจารจิตมีความสว่างไสวมีความรู้สึกมีตีติมีสุขแล้วมีความเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอกัพตา อันนี้จิตอยู่ในฌานขั้นที่สองเรียกว่าผู้ปิยฌานถ้าหากติตหายไปยังเหลือแต่สุกกับเอกัตตาจิตอยู่ในฌานขั้นที่สามถ้าตกหายไปยังเหลืออยู่แต่เอกัคตากับอุเบคขาซึ่งในขั้นนี้จิตมีลักษณะแห่งความเป็นหนึ่ง อาจะว่าโดยสมาธิเขาเรียกว่าอัปปนาสมาธิว่าโดยฌานเรียกอัปปนาฌานว่าโดยจิตเรียกว่าอัปปนาจิตอันนี้เจตโจในฌานขั้นที่สี่ซึ่งประกอบด้วยองค์สองมีความเป็นหนึ่งคือเอกคต า, าแล้วก็มีความบางเฉยคู่คู่เบขาเป็นลักษณะ ผู้ที่ได้ฌานข้อที่สามผู้ที่ได้ฌานขั้นอ่าผู้ได้ฌานสี่แล้วจะพ้นอบายยะปุมไม่ใช่อใช่หรือไม่ถ้าได้ฌานสี่แล้วถ้าตายในขณะอยู่ในฌานพ้นอบายยะปุม่มชั่วขณะตายแล้วไปเกิดเป็นลูกลมเมื่อกําลังฌานเสื่มแล้วบางทีบาปกรรมยังติดอยู่จะตีกาบกลมแล้วก็ลงนรก ยังไม่พ้นอบายที่แน่นอนพ้นทั่วขณะที่อยู่ในฌานและพูมจิตอยู่ในฌานคือว่าการอยู่ในฌานเนี่ยสมาธิในฌานนี่มันจเจริญได้ง่ายแล้วไปเสื่อมได้ดังเช่นหลก ป, ปิดของท่านระมหากัะแตะ ใหญ่สามเดือทานสมาบัดแล้วไปในเหาะไปเหาะไปอาจารย์ตวนว่าอยากระมาดอยู่มาวันหนึ่งสามเดืนเข้าฌานแล้วก็เหาะไปในอากาศพอดีอยู่ในระหว่างอากาศนั่นแ่ละระหว่างที่อยู่ในอากาศนั้นจิตถอนจากฌานก็พอได้ยินอ้าวบางเอินได้ยินเสียงไอ้สตรีล่องไป เกิดมีความยินเย็นขึ้นมาทับหนึ่งเข้าทานไม่ทนันทานเสื่อมเลยตกล่งจากอากาศใประดุกซี่คงไม่หักเพราะกำลังทานนั้นเออ่ช่วยเขยุงอยู่เพราะฉะนั้นคำว่าทานทานเนี่ย <c oughs> จะมีได้เฉพาะเวลาที่ผู้ปฏิบัติตั้งใจจะเข้าอยู่ในทานเท่านั้น เมื่อออกมาแล้วอยู่ในภาวะธรรมดาอย่างนี้ทานไม่มีเราจะนั่นการบรรลุทานจึงไม่เป็นแนวทางที่ให้สัดสุู้เพราะมันมีเสื่อมมีเจริญ้านาก็ผู้ที่เข้าทานไม่จำนิจำลานเมื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเข้าทานไม่ทันก็เอาตัวรอดไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นสามนันเนลูกติดกรม่อมก็สปะออกไปในอากาศ เยาะถอจากฐานเพียงขนาดเดียวเท่นั้นสัมผัสกับเสียงที่เป็นที่ยินดีชานเสื่อมก็เลยตกกลวงมาจากอากาศเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ทานสีแล้วยังไม่พ้นอบายยะปุ๋้คนเฉพาะเวลาที่อยู่ในชานเท่านั้นเอง <c oughs> อาข้อ4สีขณะที่อยู่ในองค์ฐานก็ดีหรือปฏิบัติอยู่ในขั้นอัปนาสมาธิก็ดี ทั้งสองระดับนี้มีแต่ความสงบนิ่งถ้ามีนิมิตถ้ามีนิมิตก็ด้วยอำนาจของฐานบ้างของสมาธิบ้างแต่ปัญญาไม่เกิดถ้าจะให้ปัญญาเกิดต้องถอนสมาธิจากระดับจิตอถอนสมาธิจากระดับหนึ่งมาสู่อีกระดับหนึ่ง ความรู้จริงจะเกิดขึ้นขอเรียนถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นโดยธรรมชาติของจิต ท, ที่อยู่ในอัปปนาสมาธิหรืออยู่ในฌาน <c oughs> สมาธิตั้งแต่ระดับฌานขั้นที่สามขั้นที่สี่ปัจจัยฐานจะสุทธิานเป็นสมาธิที่เป็นเองโดยธรรมชาติ ซึ่งโทษปฏิบัติปราศ จ, จากการประครับประคองจิตหรือปลาศ จ, จากความตั้งใจใดๆทั้งสิ้นจิตจะอยู่ในฌานขั้นที่สามที่สี่เป็นตภาว่าจิตที่เป็นเองโดยพลังของตัวเองคือพลังของสมาธินั่นเองใน่วงนี้จิตจะไม่มีอาการแห่งความรู้สึกนึกคิดใดๆ มีแต่ความนิ่งสว่างอยู่ในองค์ฐานเท่านั้นเมื่อผู้ปฏิบัติถามว่าจะถอนจิตจากระดับหนึ่งมาสู่อีกระดับหนึ่งอันนี้ทำไม่ได้นอกจากว่าจิตจะถอนออกมาเองพอเกิดความรู้สึกคิดขึ้นมาเลียกตั้งสติกำหนดตามจึงจะทำได้ จิตอยู่ในฌานขั้นที่สามที่สี่นี่เป็นจิตนิ่งไม่ไหวสิ่งลาจารสัญญาเจตนาใดๆทั้งสิ้นเจตนาที่จะให้จิตอยู่อย่างนั้นไม่มีเจตนาที่จะให้จิตถอนไม่มีคือมันไล่สมบทภ า, ภาดโดยประการทั้งปวงแต่จิตจะถอนออกมาได้ก็ต่อเมื่อถึงการเวลาที่จะถอนออกมาเอง ที่นี่ในทานต่อไปค <c> ว <oughs> ามอ่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะธรรมชาติของจิตอยู่ในทานขั้นนี้มันเป็นอย่างนั้นถ้าปัญญาจะ เ, เกิดเกิดอยู่ในขั้นอุปจารสมาธิหรือขั้นอัปปนา เพราะผู้ภาวนายังจับไม่ค่อยได้เพราะในระหว่างนั้นอยู่ในขั้นปล่อยวางปัญญาอันเป็นความคิดพอที่จะน้อมเล็กพิจรารณาอะไรได้นั้นอยู่ในขั้นอุปจารสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นในขั้นอุปจารสมาธินี้ เป็นความคิดที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ได้ตั้งใจแต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเิตยังมีความสำคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไรเช่นจิตมองเห็นโลกภาษาที่เรียกว่าโลกก็ยังมีอยู่จิตมองเห็นเิตภาษาที่เรียกว่าจิตก็ยังมีอยู่จิตโลเห็นอะไรก็ยังมีการพักพวงว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งนั้น ซึ่งมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติความรู้ในขั้นอุปจาระสมาธินี่ยังมีสมมติบัญญัติยังมีชื่อที่จะเรียกสิ่งนั้นๆว่าเป็นอะไรคีนเมื่อจิตเป็ตามรู้ตามเห็นความรู้พูมรู้ในขั้นอุปจาระสมาธิถ้าหากว่าจิตมันจะรู้ซึ่งเห็นจริงลงไปแล้ว มันจะแสดงอาการรวมลงเป็นสมาธิลึกลงไปอีกขั้นหนึ่งไปสู่ความว่างความว่างอันนี้ก็คืออัปนาสมาธิที่นี่ในอัปนาสมาธิในขั้นนี้ถ้าหากว่าจิตเคยผ่านการพิจารณาสภาวะทำมาแล้วจิตจะเกิดโคมความรู้ขึ้นมา แต่โฟมความรู้อันนี้อยู่ในขั้นละเอียดมากเพียงแต่สักว่ามีสิ่งรู้แต่ไม่มีสมมติปัญญัติในสิ่งรู้นั้นว่าเป็นอะไรมีแต่สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ก็อย่างที่ในท้ายธรรมจักรปวัตชนสูตรที่ได้อธิบายตอนท้ายธรรมเจตนากันนี้ที่ท่านญาโกลท่านได้เห็นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเอง และการรู้ธรรมของจริงนี่มีแต่รู้ว่าจริงใดจริงหนึ่งเท่านั้นถ้าจริงใดที่ยังรู้มีสมมติบัญญัติจริงนั้นยังไม่เป็นของจริงถ้าจริงใดรู้เห็นแล้วอยู่เหนือสมมติบัญญัติเพียงแต่ตักว่ารู้ว่าเหตนจริงนั้นจริงจะเป็นของจริงเพราะฉะนั้นอัปปนาสมาธิหรือสมาธอย่างละเอียดเนี่ย สมถะอัปนาสมาธิขั้นหนึ่งจิตแตนิ่งว่างอยู่เฉยๆไม่เกิดความรู้แต่อัปนาสมาธิซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่จิตได้พิจรารณาสภาวะธรรมแล้วย่อมเกิดความรู้ขึ้นอย่างละเอียดอันนี้ถ้าหากว่าใครยังไม่ได้ผ่านแล้วบางทีอาจจะหัวเราะแต่ถ้าโฟมจิตผ่านแล้วหายสงสัย <c oughs> ึ่งนบางทีในตำราตำราอาจจะไม่ได้เขียนไว้หรือเขียนไว้เราอาจจะค้นไม่เจอก็ได้แต่ถ้าหากวาเรามันที่นี่พิจรารณาหมั่นทำหมันภาวนาแล้วสิ่งเหล่านี้จะผ่านเข้ามาในความ ร, รู้สึกของเราเองอน่นาเหนโพตรงกลางนี้แล้วแม้ว่า ในหลักการของการเจริญอสุภะกรรมาฐานที่มีบทสอนว่าให้พิจรารณาร่างกายให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามหน้าเปรยดโสโคเป็นอสุภะเน่าป่วยปุพังเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟการ น, านั่ลนพิจารณาล้อมไปในแง่ที่ว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะนั้นเป็นแต่เพียงระดับขัน้นใช้ความคิด เป็นการปรับปรุงปฏิปทาเป็นแนวทักตรูงจิตให้เกิดความเชื่อมัน่นว่าสิ่งที่พิจารณานั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอบายให้จิตน้อมใจเชื่อเป็นแนวทางให้เกิดศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแต่เมื่อจิตสงบลงไปจริงๆแล้วเมื่อจิตเห็นอนุภาพจริงๆยังสมมติว่าจิต มันอาจจะถอนออกจากร้างยังเหลือแต่จิต ด, ดวงเดียวยังสามารถมองเห็นร่างกายของตัวเองที่นอนเหยียดยาวอยู่เมื่ออาการแห่งความเปรตกูลของเปรตคูลปลาเกิดขึ้นเช่นร่างกายขึ้นอึกน้นําเหลืองไหลเมื่อหนังเน่าเปื่อยผุพังเป็นซิ้ น, นซิ้งซึ่งล้วนแต่มีลักษณ ะ, ะแสดงให้ให้มีความรู้สึ ก, กรังเียบ แต่สภาวะจิต ท, ที่รู้เห็นนั้นไม่ได้เกิดความรังเกียจภาในขณะนั้นจิตสัตสะวะลโรเห็นอยู่เตยๆความรู้สึกกินดียินได้ความรู้สึกว่าสวยไม่สวยไม่มีมีแต่สภาวะเสมอกันหมดในบางครั้งในเมื่อภาอสุภามีมิตรปลากฏขึ้นมาพร้อมๆกันนั้นอาจจะมีปลากฏภาพที่สวยงามที่สุด มาเป็นเครื่องเปรียบเทียบเมื่อเจ็บของผู้ภาวนาเพ่งมองสิ่งที่รู้เห็นอยู่นั้นความรู้สึกระหว่างของเล่าเปื่อยกับของที่มีสภาพดีและสวยงามมีสภาพเสมอกันหมดอันนี้คือความเป็นจริงในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในจิตของท่านผู้ภาวนาแต่ว่าจะเป็นเรื่องผิดผูกอย่างใดก็ หลห้ท่านผู้ที่มีภูมิจิตผ่านแล้วได้ช่วยพิจารณาถ้าหากว่ายังไม่ถึงขั้นนี้แล้วก็ได้โปรดรับฟังไว้อย่าเพิ่งเชื่อตามคำพูดรับฟังไว้ว่าเราสามารถจะพิจารณาให้รู้เห็นอย่างนี้ได้หรือไม่การฟังคำศึกษาทำสิ่งใดที่เรายังไม่รู้ไม่เห็นด้วยตนเองอย่าเพิ่งรับรอง แม่จะเพิ่มปฏิเสธถ้าได้ยินแล้วเชื่อรับรองเลยทีเดียวก็ไม่ดีหรือปฏิเสธไม่เชื่อเลยทีเดียวก็ไม่ถูกต้องเพราะธรรมะนี่เป็นสิ่งที่ทนต่อการพิสูจน์ขอให้พิสูจให้มันได้ขอด้อเท็จจริงสะกคนอันนี้ขอฝากไว้สําหรับผูธิท่าน <c oughs> สนใจในการปฏิบัติในส่วนด้วย ่าปัญหาข้อนี้มีคาถามเกี่ยวกับโพรมจิตที่โดนทานตีเมื่อในลานมานี้มีท่านผู้หนึ่งเขียนจดหมายไปถามเกี่ยวกับเรื่องจิตโดนทานแต่ยังไม่ได้ตอบจดหมายนั้นไปยังผู้ถามจึงจะขอเสือโอกาสนี้อตอบในข้อที่ว่าท่านผู้นั้นถามมาทําไม ในเมื่อเจตเดิมฌานในระยะแรกนั้นเราสามารถกําหนดวิโตกวิจารณปีสิสุเกักคาตากําหนดโลชัดเป็นขั้นตอนแต่เ ม, เ, มเมื่อมาเข้าทำใหม่กาหนดไม่ได้โทมจิตมันส่วนหรือว่ามันจเจริญมันผิดหรือมันถูกอันนี้เขาตอบว่าเป็นธรรมชาติของโทมจิตที่ตะเวนอยู่ในฌานที่ทา น, นิชํา น, นานแล้วในขั้นแรกๆพอจิตล็ก วิตกวิการตัวปีติจิตต้นก็จะได้ดื่มรสแห่งปิติเลยความสุขจากสมาธิมันก็ยัดจั้งอยู่เป็นเวลานานเมื่อจิตผ่านองค์ฐานบ่อยๆเข้าความธรรมนินฌานก็เกิดขึ้นและความตาิดสุขในขั้นฐานย่อมต่างไปเนื่องจากความธรรมนิชํานาของโทนจิตที่เดินผ่านและจิตที่มีความอรู้สก อิ่มในรอสแทนทีติสิในความสุขไม่ติดในความสุขอันนั้นเพราะฉะนั้นในการเข้าฌานในค ร, ครั้งต่ อ, ตอมาจึงทําให้รู้สึกว่ารวดเร็วมากเร็จนกระทั่งผู้เข้าฌานไม่สามารถจะกําหนดใจว่าปีสิสุเกกคต า, า, าเป็นอย่างไรพอกาหนดจิตทับลงที่ตัวรู้ดางทียังไม่ได้ถึงคำบริกรรมภาวนาสายตา ย, ยังไม่ได้เพ่งนินด จิตลมบบเขาวิ่งเึ่เข้าไปสู่ฌานพันสี่สี่โดยที่กัาหลดที่ตกวิจารณ์สี่สิสุขเอกค ต, ตาไม่พันอันนี้เป็นธรรมชาติของจิตที่เดินคล่องในองค์ฌานไม่มีผิดข้อห้าทำไมเมื่อออกจากสมาธิแล้วบางครั้งจะมีความรูปแป้แปลกๆเกิดขึ้นซึ่งคาดไม่ถึงทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ควาอาและความรู้ที่ออกจากสมาธิใหม่ๆพอจะเชื่อได้หรือไม่ว่าเป็นความจริงอันนี้เป็นธรรมชาติของจิตที่สุขัดสมาธิติดต่อการทําสมาธิแต่ละครั้งละครั้งบางทีอาจจะไม่เกิดความสงบหรือความรู้แจ้งเด่นจริงผู้ปฏิบัติท่รู้สึกเหน็ดเหนด้อย่าวปราศจากประโยชน์ไม่ได้ผลอันได แต่ถึงกระนั้นการกระทำนั่นก็สะสมกําลังไว้สีลเล็กสีลน้อยธรรมะเป็นอาคาลิโกได้จังหวะเมื่อไรก็เกิดความรู้แปลกๆขึ้นมาเมื่อนั้นในบางครั้งก็เกิดขึ้นมาอย่างลอยๆในบางครั้งก็อาศัยอดีตสัญญามากระตุน้นในบางครั้งก็มีเหตุการณ์ในปัจจุบันกระตุ้นให้เกิดความรู้ขึ้นมาอันนี้เป็นธรรมชาติของจิตของผู้ที่ ผ่านการฝึกฝนอกรมสมาติมาแล้วพอสมควรต่อปัญหาของท่านที่สอง <c oughs> ไม่เข้าใจในศีนบางข้ออยากจะเรียนถามว่าศีนข้อที่หกวิตาละโภชนะเกอห้ามทานอาหารเกินเทียน โน่ทางานพักเที่ยงกว่าจะทานเสร็จก็เกือบเที่ยงครึ่งถ้านูถือสีมแปดโน่อยากจะก ล, ากล่าวว่าสีมข้อนี้จะขาดโดยกล่าวการกําหนดยีกาและโพชนะนั้นถือเอาเวลาลุ่งอารุณ์ไปถึงตะวันเที่ยงตะวันอ่าตะวันค้อยไปเพียงสององคุลีถือว่าเป็นยีกาลโโกเป็นเวลาบ่าย อันนี้เอ่อการถือศีลหรือการรักษาศีลเนี่ยถ้าเรามีความจำเป็นหรือไม่มีโอกาสที่จะทำได้สรุดเรื่องศีลแปดนี่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปยึดให้หมากนักเพียงแต่แค่ในศีลห้าข้อเท่านั้นก็สามารถจำเป็นสมาธิบรรลุมรรคผลนิพพานได้ แล้วก็กลับจัดบายไปอีกการถือสีนกจนกว่าห้านี่ถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติเราปฏิบัติไม่ได้จริงๆแล้วมันจะเป็นการสร้างบาปให้แก่ตัวเองอย่างไม่มีเหตุผลถ้าบ้านธรรมดาที่เค่งอยู่ได้สีห้าเขาทานข้าวเย็นได้มีกอดมีครัวได้ให้เครื่องประดับตกแต่งได้จะทำอะไรก็ได้ ถ้าไม่ละเมิดศี่ห้าข้อและการละเมิดนั้นไม่เป็นบาปเป็นกรรมแต่ถ้าเราตั้งเจตนาลงไปว่าจะรักษาแต่รักษาไม่ได้แล้วเป็นการสร้างและลบให้แก่ตัวเองแต่ะังนั้นถ้ายังไม่สามารถหรืมีเวลาโอกาสไม่เพียงพอแล้วยาลิมันจะเป็นการสร้างบาปให้กับตัวเอง <c oughs> ยกตัวอย่างเช่น ในสมัยครั้งอดีตมีพระพุทรูปไม่สำรวมล่องเรือไปในลำแม่น้ำบางเอิญเอื้อมือไปจับใบไม้เรือวิ่งไปโดยความโรกวกรน้ำมันเชี่ยวใบไม้ขาดไปจะต้องอาบัตไปปีตี้วก็ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่โดยแสดงอาบัตพระองค์นั่นดำเป็นเพียรอยู่ตั้งสองหมื่นปี ไม่สำเร็จมากขผนนิพพานใดๆไม่รู้ทำเห็นทำแต่เป็นฆราวาสแล้วจะถางสาขุดดินแล้วก็ไปภาวนาอย่างสำเร็จมากขผลนิพพานได้พลาดเสอนสรยี่สิบเจ็ดไปเด็ดไปไม้ไปเดียวภาวนาไม่รู้ทมเห็นทำเราจฉะนั้นการที่เราจะเพิ่มศีนของเราให้มากขึ้นมากขึ้นเน่ต้องพิจารณาดูสมถภาพของเรา ชิงที่จำเป็นที่สุดก็คือว่าให้เแ่องในศีลห้าข้อเมื่อแข้งในศีลห้าข้อแล้วศีลอื่นๆนั่นแ่ะมันค่อยกระเถิบขึ้นไปเองอสำหรับปัญหาของท่านนี้ขอตอบเสียงแค่ น, นี้อีกปัญหาต่อไปเวลาล่างโสดมนโดนจงกรม หรือว่าตั้มหลบสติอยู่ที่ปลาย อ, าอยู่ที่กายแล้วทุกอย่างจะรู้สึกเหมือนมีอะไรแทงเข้าไปตรงแสกหน้าภายในเสมอปวดหัวก็ไม่ใช่ก็ปกติอยู่มันลองเข้ามาภายในรู้สึกจะอยู่เหนือจมูกขึ้นไปหน่อย โกหไม่ถูกขณะเขียนอยู่นี่ก็ยังยังเป็นอยู่เลยอันนี้เป็นความรู้สึกโดยปกติแล้วความรู้สึกนี่มันแพ่งไปข้างหน้าแต่สิ่งที่รู้สึกว่าแทงแทงเข้าตรงหน้าผากนัน่ะเป็นกระแสจิตที่เพ่งตรงออกไปทางหน้าผากมากอกนักใช้กำลังจิตเราว่าพลังจิตนี่มันออกตรงหน้าผากระหว่างเนือ